ครูทั้งหกจาริตนอกศาสนาซึ่งมีชื่อเสียงมาก6คน เ, เรียกว่าครูทั้งหกชะสจารโรคือ 1. ปุเรนะ 2. อชิตะ 3. มะคลิโคสาร 4. นิครนทะ 5. สัญชัย 6. ปกุทะในคำพีมงคลทีปนี พูดถึงประวัติครูทั้ง6นี้ไว้ย่อๆนักศึกษาลองพิจารณาดูบางทีอาจพอมองเห็นเหตุผลบ้างว่าเหตุการณ์แวดล้อมของแต่ละคนทำให้เขามีความคิดเห็นออกมาอย่างนั้นจะเล่าเรื่องพอเป็นตัวอย่างสักหนึ่งคนคือครูปรุณะครูคนนี้เดิมเป็นทาสในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งที่จะได้ชื่อว่าปรณะมีเรื่องเล่าว่า ชาวชมพูทวีสมัยนั้นพากันถือลทัทธิอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อมีทาตเข้ามาเพิ่มจำนวนเขาก็นับไว้คนที่หนึ่งคนที่สองและอื่นๆจนกระทั่งถึงคนที่ครบ100รใครเป็นทาตที่ครบจำนวน100ถือกันว่าทาตคนนั้นเป็นทาตมงคลและตั้งชื่อว่าปุรณะแปลว่าเต็มหรือครบ หมายความว่าเป็นคนเต็มร้อยต่อมานายปุรณะนี้เลยหลบหนีไปจากตระกูลไปถูกโจนจริงเอาผ้านุ่งหมดเลยต้องนุ่งลมห่มฟ้าหลบหลบ ซ, ซ่อนอยู่ในป่าแต่ปุรณะเป็นคนชะตาดีสมกับได้ตำแหน่งทานมงคลจริงๆคือระยะนั้นชาวบ้านชาวเมืองกำลังมีโรคระบาดอยู่อย่างหนึ่งคือโรคตื่นผู้วิเศษ ถ้ามีใครทำอะไรได้วิตฐานแปลกกว่าคนธรรมดาก็พากันแตกตื่นไปไหวและยอมมอบกายถวายตัวโรคอย่างนี้ระบาดอยู่ในเมืองไทยเป็นคราวๆเหมือนกันวันหนึ่งนายปุรณะเดินผ่านละแวกบ้านโดยการแต่งกายชุดวันเกิดเช่นนั้นพวกชาวบ้านเห็นเข้าก็สำคัญว่าเป็นผู้วิเศษเสด็จลงมาโปรดจึงพากันห้อมล้อมเอาข้าวของมาถวาย ทำให้นายปุรณะมีการอยู่ดีกินดีขึ้นมากนี่แหละเขาว่าคนชะตาดีตัวนายปุรณะก็มาฉุกคิดว่าอาตมานี้ก็นุ่งผ้ามาตั้งแต่เล็กคุ้มใหญ่ไม่เห็นได้ดีได้ดีอะไรอย่างมากก็แค่เป็นทาตมงคลประจำตระกูลของเขาเท่านั้นมาบัดนี้เลิกนุ่งผ้าเสียแล้วชะตากลับดีขึ้นอย่างนั้นเลยเราเลิกนุ่งผ้าตลอดไปดีกว่า คิดดังนี้แล้วก็เลยตั้งตัวเป็นนักรตประเภทนุ่งฟ้าสืบมาและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นอาจารย์มีสารนุศิ์มากเหมือนกันแต่ตำนานก็ไม่ได้บอกไว้ว่าพวกลูกศิษย์เหล่านั้นแต่งชุดพิเศษเหมือนอาจารย์หรือไม่ถ้าคนจํานวนร้อยจํานวนพันมีอันเป็นไปเหมือนนายปุระาหมดมันก็คงทุเรศในตาไม่น้อยทีเดียวว่าถึงทิฐินายปุระาเห็นว่า การทำดีทำชั่วไม่เป็นอันธรรมพูดง่ายๆคือทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วเห็นอย่างนี้เป็นการปฏิเสธการกระทำเรียกว่าอากิริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมซึ่งจะอธิบายข้างหน้าท่านนักศึกษาโปรดสังเกตว่าทิฏฐิของนายปุรณะไม่ได้เกิดจากการค้นคว้าอะไรเลยแต่เกิดจากอารมณ์ค้างของเขาเอง แกเองเป็นทาดทาดก็คือคนใช้ถาวรนั่นเองคนที่เป็นทาดนั้นทำงานเกือบตายแต่ตัวเองก็ไม่ได้ดีอะไรผลได้เป็นของผู้เป็นนายหมดทาทุกคนจึงมักจะมีความน้อยใจอยู่ตลอดเวลาว่าทําดีเกือบตายก็ไม่เห็นได้ดีถึงนายปุรณะนี้ก็คงมีอารมณ์ค้างในใจอยู่อย่างนั้นยิ่งมาภายหลังตอนเลิกนุ่งผ้าแล้วชตาดียิ่งขึ้น กว่าตอนนุ่งผ้าทำงานก็เลยพานเห็นจริงเห็นจังว่าทำดีทำชั่วไม่ได้ผลไม่เป็นอันทำทำเสียแรงเปล่าดังนั้นทิฏฐิที่ครูปรณะสอนสิทธ์ก็สอนว่ากรโรโตนะกิยติแปลว่าถึงทำก็ไม่ได้ไม่ดีนี่แหละต้นเหตุของความเห็นที่ว่าการทำดีทำชั่วไม่มีผล มันเป็นเพียงอารมณ์ค้างของาธาตุคนหนึ่งแต่ก็มีคนเชื่อถือเอาเป็นจริงเป็นจังและตกทอดมาถึงทุกวันนี้ครูอีกห้าคนก็มีประวัติคล้ายๆกับปุรณานี้แล้วก็มีทิฏฐิและปฏิปทาคล้ายๆกันเช่นครูอชิตะนุ่งห่มผ้าที่ทำด้วยผมคนจึงมีซ้อยว่าอาชิตะเกษะกัมพละมีทิฏฐิว่าการกระทาทุกอย่างมีผล แต่ในชั่วชีวิตเท่านั้นชาติหน้าไม่มีครูมัคคิริโคสารเดิมก็เป็นธาตุในตระกูลเดียวกันกับปุรณะแล้วก็หลบหนีเหมือนกันผ้านุ่งดุดแล้วก็แสดงตัวเป็นนักพรตเหมือนกันครูนิครนประวัติไม่ชัดเจนทราบแต่ว่าเขาเรียกตัวเองว่านิครนซึ่งแปลว่าหมดกิเลสเครื่องข้อง ครูสัญชัยบิดาชื่อเวลันทะจึงมีชื่อซร้อยว่าสัญชัยเวลันทบุตรครูปกุทะมีปฏิปทาแปลกเหมือนกันคือไม่ใช้น้ำเย็นกินอาหารแล้วก็ไม่ล้างปากไม่ล้างมือไม่อาบน้ำรวมความว่าไม่ยอมแต่ต้องน้ำเย็นถ้ามีน้ำอุ่นจึงใช้บางคราวจําเป็นจะต้องลุยข้ามน้ำก็ถือว่าศีลขาด เมื่อข้ามฝากแล้วต้องอธิษฐานสีใหม่เสียดายในตำนานไม่ได้บอกว่าเหตุใดแกจึงเป็นโรคกลัวน้ำเอามากมายอย่างนั้นข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเล่าประวัติครูเจ้าทิฐิเหล่านี้ให้พิสดารมากไปจะเป็นการทำให้เสียเวลาโดยไม่ได้ประโยชน์คุ้มกันและเลยไปพูดถึงทิฏฐิกันดีกว่าความเห็นนอกศาสนาที่จัดว่าเป็นมิจฉาทิฐิ เท่าที่เรียกกันในความรู้นักธรรมมีอยู่3มลักษณะหรือสาหมวดเหตุที่มีสาหมวดนั้นหมายความว่าท่านรวบเอาทิฏฐิที่มีอยู่ทั้งสิ้นมาบันทึกไว้เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาแยากตามลักษณะของทิฏฐิที่มีคนสนใจกันในสมัยนั้นคือความเห็นเกี่ยวกับชีวิตความเห็นเกี่ยวกับกรรมและประมวลความเห็นทั้งสิ้น ความเห็นเกี่ยวกับชีวิตได้แก่ทิฏฐิสองความเห็นเกี่ยวกับชีวิตคือการเกิดการตายของมนุษย์สมัยนั้นมีความเห็นแยกกันไป็สองพวกคือ 1. สัตะตตทิฏฐิเห็นว่าเที่ยง 2. องอุทเฉท ท, ทิฏฐิเห็นว่าขาดศูนพวกเห็นว่าเที่ยงคือเห็นว่าชาตินี้ใครเกิดเป็นอย่างไร ชาติหน้าก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปชั่วกัลปาวาสานไม่มีเปลี่ยนแปลงพวกเห็นว่าศูนย์คือเห็นว่าคนเราตายแล้วก็ศูนย์ไม่มีอะไรจะเกิดอีกทิฏฐิทั้งสองนี้ขัดกับพระพุทธศาสนาที่สอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและตราบใดที่จิตยังมีกิเลสอยู่จิตก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบนั้นและถ้าจิตหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ว ย่อมไม่เวียนว่าตายเกิดอีกความเห็นเกี่ยวกับกรรมทิฏฐิสคือ 1. อากิริยะทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรม 2. องเหตุกะทิฏฐิความเห็นว่าหาเหตุไม่ได้ 3. นัตถิกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีทิฏฐิสอย่างนี้เรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดอย่างดิ่งพวกที่หนึ่งคือพวกครูปรณะนักพรตผู้ตกกระไดพลอยโจรนั่นเองจุดสาคัญคือมีความเห็นว่าการกระทาของคนเราที่ถือกันว่าทำความดีความชั่วนั้นหาได้มีประสิทธิภาพใดๆที่จะส่งผลให้แก่ผู้ทำไม่การดีจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีคนเห็นและชมเชยหรือให้บาเหน็จ รางวัลกรรมชั่วจะให้ผลก็เต่เมื่อมีผู้จับได้และลงโทษรวมความว่าถ้าไม่มีคนรู้คนเห็นการกระทําก็ไร้ผลอกิริ ย, รยทิฏฐินี้ขัดกับพระพุทธศาสนาที่สอนว่ากรรมที่บุคคลใด ท, ทำแล้วทั้งในที่ลับและที่แจ้งย่อมจะให้ผลแก่ผู้ทําอย่างแน่นอนไม่ได้ในชาตินี้ก็ให้ในชาติต่อๆไป พวกที่สองที่เห็นว่าหาเหตุไม่ได้ก็คือทิฏฐิของครูมคคลิโคสานั่นเองพวกนี้เห็นว่าคนเราถึงความสุขก็สุขเองถึงคราวทุกข์ก็ทุกข์เองความสุขความทุกข์นั้นหาได้มีเหตุอะไรทําให้มันเกิดไม่ความเห็นพวกอเหตุกทิฏฐินี้ขาดกับมติพระพุทธศาสนาที่ถือว่าสังขารทั้งปวงเกิดแต่เหตุ พวกที่สได้แก่ทิฏฐิในสายตาของครูอชิตะคือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีคุณมันดาบิดาก็ไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีทั้งนั้นคนเราตายแล้วก็ศูนย์นักติกะทิฏฐิขัดกับมติทางพระพุทธศาสนาที่สอนว่าบุญบาปมีจริงสัตว์ทั้งปวงย่อมเป็นไปตามกรรม จริงและอื่นๆหมายความว่าพวกอกิริยาวาทีกับพวกอหิทุกะวาทีความเห็นไปคนละทางไม่ขัดกันพวกหนึ่งปฏิเสธกรรมอีกพวกหนึ่งปฏิเสธผลส่วนพวกครูอชิตะที่เป็นฝ่ายนัตถิวาทีค้านสองพวกแรกอย่างสิ้นเชิงประมวลความเห็นทั้งสิ้นได้แก่ทิฏฐิสิบ อันตคาหิกะทิฐิ10และความหมายทิฐิ10นี้เรียกว่าอันตะคาหิกะทิฏฐิแปลว่าความเห็นเกี่ยวกับที่สุดหมายความว่าไม่ใช่ความเห็นครึ่งๆ ก, กลางๆหรือสักแต่ว่าคล้อยตามแต่เป็นความเห็นที่พุ่งเข้าถึงที่สุดของเรื่องนั้นๆในตำราท่านนับเรียงกันไปจนครบ10บอย่างความจริงถ้าเราพิจารณาดูทิฐิสิบนั้นแล้ว จะเห็นว่าเป็นความเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆอยู่สี่เรื่องแต่และเรื่องมีคนเห็นแตกแยกกันเป็นหลายฝ่ายดังนี้อัตคาหิกทิติ1 0และความหมายลำดับทิศที่เห็นว่าความหมายก่อปัญหาเรื่องโลกเที่ยงหรือไม่ลำดับ1โลกเที่ยงลำดับที่สองโลกไม่เที่ยง คือพวกหนึ่งเห็นว่าสัตว์โลกใครเป็นอยู่อย่างไรตายแล้วก็คงเป็นอย่างนั้นอีกส่วนพวกหนึ่งเห็นว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปต้องเปลี่ยนแปลงได้ขอปัญหาเรื่องที่สุดของโลกลำดับที่สโลกมีที่สุดลำดับที่4โลกไม่มีที่สุดพวกหนึ่งเห็นว่าสัตว์โลกย่อมมีเวลาที่จะเข้าถึงที่สุดได้ เช่นทำดีถึงขนาดก็จะได้เกิดเป็นผู้วิเศษบนสวรรค์ชั่วนิรันดร์หรือทำชั่วอย่างร้ายกาศก็ถูกสาปให้เป็นปีศาจตลอดการส่วนอีกพวกหนึ่งเห็นว่าการเวียน่หยตายเกิดนี้จกไม่มีการสิ้นสุดของเลยคอปัญหาเรื่องชีวะหรือจิตลำดับที่5ชีพก็อันนั้นสรีระกก็อันนั้น ลำดับที่6ชีพอันอื่นสรีระก็อันอื่นชีพในที่นี้หมายถึงจิตผู้คิดผู้นึกพวกหนึ่งเห็นว่าทมที่เรียกว่าจิตนั้นไม่ได้มีต่างหากที่แท้ก็คือสรีระร่างกายมันแสดงอาการออกมาถ้าร่างกายตายธรรมชาติที่เรียกว่าจิตก็หายไปอีกพวกหนึ่งเห็นว่า กล้กับจิตเป็นคนละอันคือคําว่าจิตในที่นี้ใช้สับตามลทัทธิภายนอกว่าชีวะงอปัญหาเรื่องตายเกิดตายศูนย์ลดับที่7เห็นว่าสัตว์ตายแล้วจะเกิดอีกร่ำไปลําดับที่8เห็นว่าสัตว์ตายแล้วจะไม่เกิดอีกเลยคือศูนย์ลดับที่9เห็นว่า เก็กมีไม่เกิดก็มีคือพวกเกิดก็เกิดเรื่อยพวกไม่เกิดก็ไม่เกิดเลยลำดับที่10เห็นว่าจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่คือไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นรวมเป็นอตตะคาหิกาทิฏิสิบอย่าง